นี้ก็เป็นอันว่าลูกเศรษฐีก็ยากจนลงตามลำดับหมดตัวแล้วะนะคะทีม่มันคล้ายๆชีวิตของของคนสมัยนี้เยอะทีเดียวแล้วตอนนี้กําลังได้คิดอยู่นะฮะที่นี่การซ้กเนื้อปลาตัวเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันที่ว่าเพื่อนกินทั้งหลายก็หลบลี้หนีหน้าไปหมด<ะ>บางคนก็พบหน้ากระทํามือเหมือนไม่เคยรู้จักอะะเองจนเองจนแล้ว น, น, นี่ปุรันทร์ก็ปุรันทระก็ขําครวน<ะ>เนี่ยโ อ, <ๆ>โอ้เวลาเรามีทรัพย์นะเพื่อนฝูงใครๆก็มาหาเรา ในว่าเป็นเพื่อนแท้กันหมดเอาอกเอาใจสารพัดดูสินะได้เวลาที่เสาลาหูแตก3ก็หกแตกหนึ่งกับ5แตกไม่มีใครมาหาเราอีกเลยดาวกุ้มีมันแตกกันหมดทุกอย่างนี่ไม่มีมิตรแท้ทุกอย่างเนี่ยมีแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยดูสิเนี่ยนี่คือปรัชญาแห่งชีวิตใครมีเงินคนนั้นก็มีพวกพ้องจ่าสักเท่าใดก็หาได้อย่างนี้แหละท่านจึงว่าใครมีทรัพย์ก็เหมือนมีเพื่อนใครมีทรัพย์ก็มีญาติใครมีทรัพย์ก็เป็นที่นับหน้าถือตาคนทั้งหลาย S <S <S และไทรมีทรัพย์ก็เป็นนักปราดราชบัณฑิตมันก็เป็นค่านิยมตั้งแต่จริงๆแล้ ว, ลวลการที่มีทรัพย์นันนมีโอกาสที่จะสร้างอะไรต่ออะไรแย่ๆนะคะคแต่คนส่วนใหญ่ก็ไปคิดแบบปุรันตรา คือพูดง่ายๆน้ำไหลลงสู่ที่ต่ําปลาชี้หรือต่างแล้วจะสูงที่ต่ำเนี่ยมันก็จะดึงเอาคนที่ไม่ฝืนโลกเนี่ยเป็นไปตามโลกลงสู่ที่ต่ําคือปลาที่ไม่ไหวทวนน้าคือปลาตายใช่คนที่ฝืนโลกไปเนี่ยก็สามารถที่จะเหนือโลกได้ในที่สุดก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงครับถูกไหมคะกว่าปูรันทราจะเข้าใจตรงนี้เนี่ยตัวก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะอยากพี่น้องตีตัวออกห่างเพราะว่าญาตินี่นะคะจะนับญาติตอนที่มีฐานะ S <S <an> <S <S <an> จะพากันมาหามาเพึ่งมาพามาคุยพอสิ้นทรัพย์มันจริงจริงๆเลยนะหลบลี้หนีหายจริงแท้แน่นอนนะเลยเพื่อนก็ไปปดภรรยาตัวเองก็กระด้างกระเดื่งไปด้วยเป็นเงี้ยเลยเนื้อคุรันธ์กระด้างกระเดื<อ>่เพราะว่าขอครึ่งประดับก็ไม่มีแล้วนะครคนเรามีทรัพย์ก็เป็นผู้มีเกียรติ กายเป็นนักศึกษาประหูสูตรอู้พูดอะไรถูกไปหมดลถนิยมดีวาจาไพเราะรูปงามคุณธรรมที่บรรดากับเงินทองทั้งแท้ทแท้เลยคนร่ํารวยใจกว้างเท่าไรตัดใดที่ยังมีฐานะก็ยังมีคนพึ่งบารมีบางที่คนรวยกําลังด่าอยู่นะก็บอกพูดเพราะเัิงเลยเอแต่สูญทรัพย์ลงแม้แต่นิดหนึ่งนี่นะบารมีมันหายไปเลยญาติก็ไม่มีลมเป็นมิตรของไฟเพราะช่วยกระพือโหมให้ไฟไม่ป่าใหญ่ทั้งป่าแต่ลมนี่แหละพัดวูบเดียวตะเกียงก็ดับ เพราฉนคนจนทรับอภบภาคก็เหมือนที่เรียกว่าโดนลมพัดบูดเดียวตะเกียงดับนั่นนะไม่มีม็ที่ไหนอีกแล้วนะคะ ค, ค, คุณคุณคนรวยทั้งหลายลองจนดูสิคะคุณก็จะได้เห็นเลยล่ะค่ะว่าไม่มีใครมาหาคุณิตเลยนะคะความตายดีกว่าความยากจนนะและก็ท่านกล่าวไว้ว่าจงลูกขุนเถิดสหายเอย๋ยและนำภาระแห่งความยากจนให้พน้นไปจาก ฉันแม่เพียงเสด็จเสี้ยวแห่งนาทีก็อย่างดีฉันได้เตรียมตัวต้อนรับมรุตยู่ได้เต็มที่และเสพสุขเป็นครั้งสุดท้ายสิิทธ์เสียทีเมื่อยังมีชีวิตอยู่คนเราต้องมีทนทุกข์ยากแสนสาหัสเพราะความจนแม่ซากศพในสุสานยังจะดีสักว่า<ม>ได้พักผ่อนอย่างสงบเพราะรู้แน่แทกแก่ใจว่ามรตยตดีกว่าความยากจน<ม>เขาก็คิดถึงความตายแล้วล่ะ<ด>เออความจนเออให้ความเมตตาของเจ้านี่กันมัง้งทําให้ข้าได้กลายเป็นผู้มียาวิเศษ ได้มองเห็นทุกคนเลยว่าเป็นคนยังไงคือเวลายากจนเนี่ยจะเห็นนิสัยที่แท้จริงแต่ทุกคนไม่เห็นค้าแล้วตอนที่ข้ายากจน แ, แต่ถ้าาจะเห็นทุกคนดังนั้นคนรวยตอนที่ตอนที่เจ้าหนุ่มนี่รวยเนี่ยมองไม่เห็นใครเลยใช่ค่ะ<ต>เพราะฉะ<อ>นั้นตอนนี้ เ, นเขาเห็นทุกคนแต่ทุกคนไม่เห็นเขาครับรู้เขารู้เราความตายเนี่ยนะดีที่สุดเลยจะพากเราจะไปความทุกข์ทรมานความตายเป็นของขวัญ ที่ไม่ต้องตะ ก, กิยกตะ ก, กายเพื่อเรียนพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าทักษินาทายต้องเสียอะไรนะตา ย, ายง่ายที่สุดเขาก็ออกเดินทางไปต่างประเทศแดนไกลท่องเที่ยวไปก็ไปถึงเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัยนะคะก็ะกนครนี้เป็นป่าไผ่เดินมานอกเมืองก่อนหนึ่งปายาญก็รู้สึกเหนื่อยก็ไปนอนพักบนแคร่เก่าๆแห่งหนึ่งในบ้านล้างก็ผอยหลับไปถึงเวลาลาวสองยามก็ได้เสียงกรีดล้อโหยหวนของผู้หญิงนั่งมาจากป่าไผ่ เสนะั้นอกเจ้าค้ช่วยด้วยช่วยด้วยหลกระสดุดมันกำลังจะฆ่าค้าแล้วได้ยินนะแต่เขาก็กลัวเขาไม่กล้าออกไปทําอะไรนะก็ได้แต่ถามชาวเมืองว่าใ น, นทุกคืนเนี่ยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเนี่ยผู้หญิงเป็นใครอะ่ะชาวเมืองก็บอกเสียงนั้นเหรอพวกเราได้ยินประจําแหละมันดังมาจากป่าไผ่นั่นแหละแต่เราพวกเราก็ไม่กล้าได้ฟังก็ขนลุกแล้วครับผู้ลันทละได้ฟังไม่ได้เรื่องก็เดินทางต่อไปคือได้รู้ว่าพระราชแห่งอุชยินีเนี่ยชอบฟังเรื่องประหลาด เขาก็เดินทางก็ไปเฝ้าไปเล่าให้พระเจ้าวิกรมาธิติฟังพระเจ้าพิกรณมาธิติฟังก็เอาละไปเลยในพาในนุ่นงนำพระองไปสู่ที่นั่นเลยพระองจะไปดูเองเลย<ะ>คืออะไรมาเล่าไม่รู้ว่าต้องไม่ได้เห็นนะพอช่วงมชินยางกลางคืนก็ได้ยินเสีย ง, รง<ะ>พระองค์เสด็จไปสู่ที่นั่นทันที<ะ>ก็เห็นล่ากษัตริตนหนึ่งกำลังจะทําร้ายตบตีผู้หญิงคนนึงเห<ะ>มือนก็จะฆ่ากันนะ่ะพระราชาก็ไปขวางไว้บอกไอ้ชาช่วทําไมจะต้องมาทําร้ายผู้หญิงที่อ่อนแอ ล่ากระสุนแ้นเรื่องอะไรของเองล่ะหลีไปพไ้นมิจฉาเน้นก็จะฆ่าเองซะก็ไม่รู้ละทางฝ่ายก็เลยต่อสู้กันอย่างถล่มทลายในที่สุดล่ากระสุนก็ถูกฆ่าตายครับทันใดนั้นหญิงผู้คลอไลก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเนี่ยทาให้ข่าได้รุดพ้นจากคํำสาปในวันนี้เองแล้วก็เล่าความให้ฟังว่าในเมืองนี้มีพราม์ที่มั่งคั่งที่สุดอาศัยอยู่ภรรยาของเขาก็คือข่านี่แหละแต่ข่าเนี่เป็นผู้หญิงชั่วไม่เคยเอาใจใส่กับสามีเลยทั้งๆที่ดีแสนดี ข้านี้ออกเที่ยวกังคืนเย่อหยิ่งถือว่างามถึงแม้ว่าสามีของข้าเนี่ยจะลบแล้วอ้อนวอนให้อยู่บ้านดูแลบ้านข้าก็มาแยแสไม่เคยเอาใจใส่ทำให้เขาเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตครอบครัวและในที่สุดก็ถึงแก่ความตายก่อนตายปราณผู้นสงสารก็ได้สาบแช่งว่าว่านางหญิงชั่วตัวร้ายข้าต้องทนทุกข์ทรมานมาตลอดชีวิต มันจะต้องสาบเจ้าคือผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนดีเขาสาบได้ครับฝั่งนี้แน่นางตัวดีเมื่อข้าตายไปแล้วขอใเจ้าทุกลากระสดลาาตัวไปสู่ป่าไผ่แล้วก็ทํำร้ายเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันด้วยความเหี้ยมโหดนะแล้วก็คือเหมือนจนกว่าจะตายคข้าก็มีแต่ความตกใจแล้วก็อ้อนวอนขอความเมตตาขอให้กำหนดเวลาคําสาบด้วยนะคนนั้นเขาก็เลยใจอ่อนบอกว่าเอาละเมื่อใดมีผูรุษนผู้แก้วกล้าผู้ทรงคุณธรรมอันรันเลออันรันเลอล้ำเลิศ ล้อุทิศตัวทุกทสิ่งทุกอย่างเดินทางมาช่วยและข้ราราชสดนี้ตายค่อยหลุดพ้นกรรมสาบก็บอกว่าเนี่ยท่านผู้กล้าหานด้วยความเมตตาของท่านข้าก็ได้พ้นกรรมสาบแล้วล่ะ บ, บัด น, นี้เนี่ยข้าก็จะขอตายชดใช้ความผิดที่ทำมากับสามีเพราะว่าข้าก็แต่ตอนนี้ข้ามีทองอยู่เก้าไหไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็จะยกให้หนางก็บอกที่ซ่อนควรัพย์แล้วก็สิ้นชีวิตก็ถูกทุทรมานมานานแล้วค่ะ เาวกิกรมาทิก็เลยประทานทองคําทั้งเก้าหายเป็นบําเหน็จ ก, กับบุรณะแล้วก็บอกนี่แน่วันนี้กระบุตรทองคําทั้งหมดที่ข้ายกให้เจ้ากลับไปตั้งต้นชีวิตใหม่ซะนะคนือพระองค์ทรงรู้ชีวิตของบุรณะแล้วนะฮะให้รู้ค่าของเงินทองเลือกคบคนด้วยความระมัดระวังบทเรียนในอดีตก็จะเตือนเจ้าให้สํานึก พระราชาก็เสด็จกับพระนครพระองค์ได้ทำความดีถึงสองประการ1นึ่ให้ผู้หญิงได้รุดพ้นกํามสาดสองได้เงินได้ทองคำมาก้าวหายม่อให้บุรันตระให้ชีวิตใหม่กับบุรันตระใช่ค่ะเรื่องนี้ก็จบลงทุกตาก็บอกเออพระราชาโพชพระราวิพระราชาวิกรตมาทิ์นั้นเป็นกษัตริย์ที่กล้าหาญและทรงเอื้ออาทรต่อบุคคลทุกคนมีน้ำพัยแอันกว้างขวาง พระองค์ทรงมีเกียรติคุณเสมอด้วยพระเจ้าวิกรมาธิตย์แล้วหรือที่ส่งเสด็จไปทางไกลเพื่อที่จะช่วยผู้หญิงให้พ้นจากคำสาปนะแล้วก็ยังนําเงินทองคําำที่ตั้ง9้าไห้เนี่ยกลับให้บุรัญทะละอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาชาก็ไม่ได้ตัดรอบทรงก้าวป่าดึ้นหยียบศีรษะตุ๊กตาตัวที่สิทันทีแล้วก็ยืนยันว่าคุณธรรมในข้อนี้พระองค์ทำได้ที่สําคัญอาชาครับตอนที่ท่านท้าววิกรมาธิตยตได้รอที่จะฟังเรื่องจากบุรัญทระเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยบุรันธระก็เหมือนกับคนจนจนซาเซเทปเนจรมาที่อุเฉยนีนะท่านก็ยังเปิดโอกาสให้เข้าไปพบคือเขาคิดจะตายแล้วอ่ะไม่มีอะไรเหลือหมดทุนทางทุกสิ่งทุกอยานท่านก็ยังเปิดโอกาสแล้วก็ให้มานั่งคุยอยู่นะฟังเรื่องราวเพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นอยู่บนที่สูงอย่างยิ่งเนี่ยก็คงจะต้องเปิดโอกาสให้คนที่ต่ำต้อยคือบรรจุจนสุดขีดมันจะตายแล้ว่ะนะครับให้ดีมีโอกาสมาพูดมาแสดงความคิดเห็นและนี่ ท่านวิกรมาที่ก็ตัดสินใจโดยฉับพลันทันทีไปช่วยเลยคือออกเดินทางไปทันทีได้ประโยชน์กลับมาก็อย่างยกให้อีกคือเรียกว่าแทบจะไม่ได้มีอะไรตกไปถึงตัวท่านเองเลยเว้นแต่คุณธรรมที่อยู่ติดตราตรึงมาถึงทุกวันนี้นี่ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญ